ถ้าเราปฏิบัติของเราได้รู้เข้าถึนจิตถึงใจถึงสภาวะเระมีความสุขคือไม่มีอันตนายและในโลกนี้ความความสุขที่ต้องาศัยคนอื่นใช่ไหมทุนหมดสุขที่ยิงคนอือ่นและโทงลำบากเรัะตัวเราไม่เที่ยงคนอื่นเราก็ไม่เทียเเท่ยงมีความสุขก็ไปยิงสิ่งภายนอกที่มันลนบาก ถ้าเราฝึกฝนจิตใจของเรามีความสุขภายในของเราได้แล้วก็สบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับความสุขนะแล้วมันะมาตอนเสียตาย้วจิตเือเงบานถ้เราตายนะจะตายจริงๆตายเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นไงบ้างจิตใจวันนี้ดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้น นต้องทานขราวเยาะอย่างหลวงพ่อหวงพ่อเป็นกรรมพันธุ์ทานที่เดียวเาอ้นนั่นใจเราหนีไปเนี้ยวูออกน่ะหนีไปเรื่อยๆหนีไปโน่นหนีที่นี้วักแทบวักแทั้งวันถ้าเราดูออกแต่ปฏิบัติถึงน้อดูไม่ออกว่าปฏิบัติทำบากเรไม่ทราบจะปฏิบัติอะไร ใจกินไงกินมั้งดีดีที่รู้แลแต่ก่อนก็ตัดแจงหแต่ไม่เห็นแตไม่ใช่ไม่ตัดแจงนะตัดแจงอย่างน้อยกลับนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มดัดแปลงถ้าไม่ดัดแปลงจิตก็ดัดแปลงอารมณ์มีสองงานเลย ดัดแปลงจิตเช่นทําก่อนจะดูเนี่ยทแใจให้สุขสุขไม่ก่อนนี่ดัดแปลงจิตดัดแปลงอารมณ์เช่นเดินที่เป็นช้าช้าเดินมีจังหวะหือดัดแปลงหรือจิตฝุ่งสงงร้างพุทโธพุทโธที่เนสงบนี่ดัดแปลงนี่นักปฏิบัติแทนที่จะรู้แล้วก็จะแจ้าสอนหลกให้รู้สภาวะตามประเพนจริงเราไม่ค่อยรู้หรอกเราชอบดัดแปลง ดัดแปลงจิตตั้งแต่แปลงอารมณ์แบ้าถ้าเราใช้จิตที่ธรรมดาแล้วไงไปรู้อารมณ์ที่ธรรมดาแล้วไงธรรมะมันก็ธรรมดาแล้วไงเข้าจิตความเป็นธรรมดาความเป็นปกติก็สบายจิตที่ไม่สบายก็คือจิตผิดปกติแนละ้วจิตที่ถูกอารมณ์มันเหี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปได้วยหรือถูกความอยากเบี่ยงเป็นชาวพุทธที่อนะไรเล่าเชื่อเล่บกรรม เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องอะไรอย่าไปเชื่อโอตูตตแลยไปเชื่อไปทายอะไรอย่าเชื่อรู้ดีว่าเราไม่ได้ของหลวงพ่อเลยตอนเด็กๆตอนเด็กๆหมอดูมาดูดูเราไปเจลิกๆกที่บ้านดูนี่แรงมือหลวงพ่อเห็แค่นี้หนู่วยอายุยี่้าตายแล้วเนี้ย เหม่อมัต่างนีด น, น, นชื่อศิษฐ์ตุเพราะเราตัเดเราจะตายนะแล้วแต่เรองดีต้อไม่ได้มาขามหวายเคย อ, อนช้างมีแขเล็กๆ เ, เลยเพราะต้แขนจะไ ป, ล, นะไ ป, ปล็อกยึดไว้ในกลุ่ต้นไม้ อ, อีิผานนะนราบว่ากลุ่มมาขามยิ <c oughs> ่งนนเน่ถ้าเราจะตายเมื่อไหร่นะเราให้มาขามก่อนมันตายก่อนให้เรารู้ล่วงหน้ า, าเพื่เจ็บวัด ก็อยู่มาได้เลยพอจะยึดยิดได้อันนี้พายุมาเลยถ้าถ้าต้นกระามบล้มไปเลยโอ้ถามล้มแล้วใกล้ตายแล้วแต่ไม่กลัวนะเพราไม่เชื่อหรอเจ็ดวันภาวนาครับจิตเปลี่ยนแปลงตายตรงเงินตายดีเหมืหมอตูมก็เก่งด้เลยแไม่เหไม่เชื่อ ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราไปนั้นเมื่อกี้เราเปลี่ยนชะตากรรมไปเนี้ยพวกนั้นทําะไรเราไม่ได้หรอดวงสะตาอะไรเนี้ยเราได้คิดอีกยตังนั้นได้คิดด้วยกรรเก่าบ้างได้คิดด้วยกรรมใหม่ช่วยกันเก่าเช่นกรรมเก่าส่งผลที่เราต้องเกิดมาอย่างเนี้ยต้องมีพ่อมีแม่อย่างนี้เลือกไม่ได้ เวลาพุไม่ใช่รัที่ยอมจำเนงจากคำเก่าเพื่อที่ชี้ขาดชีวิตเราที่กรรมเหมือนถึงว่าอย่างบางคนเกิดมาทากจบแล้วยมจําจนนแล้วก็ จ, จนทั้งชาติแต่ถ้าทากรรมใหม่ที่ทยยทดีขยันกันมาหากิรู้จักพบเคลื่อนที่ดีวิจรูดทางหาคิดจักเก็บเงินู้จาร์ดลงทุนคุณก็ไป็นร้านคำเก่าที่ยั่งจนให้ งนชีวิตรเราเราสร้างตัว เ, เองไม่มีใครมาสร้างให้เราไม่ใครจะมาบอกเราว่าต่อไปเราจะต้องอยู่แค่างนี้ไม่เชื่อหรอกเราสาร้างพวกเราไดไ้ต้องมั่นใจศักยภาพในควาเป็นมนุษย์ของเราให้ได้อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเราต้องเชื่อเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมที่เชื่อการกระทำของเรา แค่ตัวเองชีวิตแต่ละคนมีปัญหาตั้งนั้นเห็นนั่งยิ้มยิ้มอย่างนี้ยองถามดูแต่ละคนมีความทุกข์มันทุกข์ตั้งนั้นหลยแต่ไม่พยายามบอกใครแล้วเวลาเราทุกข์นะมันจะใหญ่คนถึงทุกข์นัมันไม่ใหญ่เท่าไรเล็กๆถ้าทุกข์ของเราโตเหมืนทุกข์คนอื่นย่างเราถุงนี้ตายถุงนี้ร้อนก็ถึงรถชน ทำไมได้อยากละมานเวลาเราเผชิญกับปัญหาศาสนาพุทธเนี่ยสอนที่เรารู้จักแยกแยะอะไรคือปัญหาอะไรคือภูมนพลังกันชีวิต ก, กับปัญหาเป็นของภูมกันยังไงก็ต้องเจอปัญหาเราเกิดมาแล้วต้องมีปัญหาชีวิตตลอดเวลาทั้งวันเลยอย่างนั่งเฉยๆก็เงยหนะ้าก็เป็นปัญหาปัญหาเล็กน้อยยันชินก็เลยมองไม่เห็นว่าเป็นปัญหา ถเมืยแล้เกิดเป็นเอามาพาดขยับไม่ได้เลยเกิดแต่กดทับแบบปัญหาหมดเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยเจ็บไข้เดี๋ยวนดดีนี้นี้ปัญนาทั้นั้นเลเรียนหนังสือก็มีปัญหาสุขภาพก็มีปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาปัญหาชีวิตเยอะแยะกรงานทําธุรกิจอยู่ดีๆวันนึงฟองสบู่แตกเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็เกิดปัญหาแล้ว มีปัญหาในชีวิตมันเปนของคู่หนีไม่ได้ไม่ชช่พูดเนี่ยจะต่างกับคนอื่นสักนิดหนึ่งคนอื่นเนนนนลวลาไปเชิญปัญหาผู้รอดผู้ได้สปีดแตกยิ่งแก้ปัญหาส่วนมากยิ้งสร้างกันหาอย่างบางคนลูกดืกดกด้องูือตีมันก็าไปตีมันยิ้งดื้อย่างถ้าเราสามารถจําแนกได้แล้วอะไรคือทูกข์อะไรคือกัลหา จะมีชีวิตที่เบาใช่ไหมปัญหาชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใครๆก็ต้องเจอหมดเรื่องนี้อีกเรื่องนีงก็รอใหม่ตลอดชีวิตแต่ถ้าเราสามารถเผชิญปัญหาได้อย่างไม่ทุกข์ศาสนาพุทจะสอนเราตรงนี้แว่าทำไงเราจะให้เผชิญปัญหาได้โดยไม่ทุกข์ไม่ใช่ไม่มีปัญหาศาสนาพุทก็มาสอนเราว่าความทุกข์เกิดจากอะไรจะจัดใจเราอ่ะ นดิ ering, ert, ering, àn, ้นรนมันไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอไม่ไม่จชดจบอยากไปเรื่อยๆอย่างอาการหนาวเนี่ยอยากแตดตอเนี้ยรอเมื่อไหร่แตดตอก็ตีแล้วตอแล้วไม่ก็งเยอะอยู่เงียบๆไปได้ะเกิดทุกขังใจน้เรื่องเล็กเรื่องน้อยก็หาเรื่องทุกไเรื่องความอยากหรความดิ้นรนอย่ในใจทำนี้เกิดความทุกขัง ยกไปยังไปอย่างเสียหาเช็คเด้งสิบล้านรู้ใจเงินไม่หลับเลยคิดอะไรไม่ออกเงินไม่หลับคิดอย่างเดียวต้องหาทางยืงนทิ้งเสียหาต้องาปรับทุนหน้าตาเนี้ย น, นี่นถูกช้างเหยียบมยหน้านี่ล้นเล็กกว่าเลยาห า, ยาหเสียหาไม่อยากให้เช็คเด้งเช็คเใช่ไม่อยากเด้งเด้งแล้วเด้งแล้วอยากให้เด้งไม่เด้งไม่ได้หรอกเด้งไปแล้ว แต่ว่าเสียหายกุ้งใจนอนไม่หลับไม่เช็คไหนเรื่องไหมเช็คไม่ไหนดิการที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่าเผชิญปัญหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจะทําให้ปัญหาหนักขึ้นตัวเองแยกออกมาเก่าถ้าเราเป็นชาวพุทจริงๆเราจะรู้ในใจเรากังวลกังวลเพรไม่อยากไม่มีปัญหาของไม่เกเศร้เรียนรู้อยู่ที่จิตชี้ใจ ออออยากไม่ใช้เกิดขนาดนี้ไอ้ความโลภความทุกขก็ต่าเกิด่รนพอรู้ได้อย่างนี้ในใจก็เรคลายใจังเลิกอยากใจก็เลิกทุกข์ไม่คิดแล้วตอนนี้ว่าทำยังไงเช็คจะไม่ได้ใจเล้กทุกข์อันนี้ก็มาคิดใหม่ทำยังไงจะลดความเสียไรที่เกิดเราก็ฝึกจิตใจของเราให้มันแข็งแรง แล้วเอาไปแก้กันหาคนที่เขาไม่ได้ฝึกกรรมฐา น, นเวลาเกิดกัญหาแล้วจิตใจแย่เยกิดทุกข์แล้วของเราจะฝึกึงกระทั่งมีกัญหาแล้วไปแก้กันญหาจิตใจไม่ถุกแก้สุดฝีมือแล้วได้แค่นี้แค่แค่นี้ก็คือแค่นี้คำวามาสันโดษหมายถึงพอใจในผลที่เราทําเต็มที่แล้วทําเด็ดเต็มที่แล้วอย่างเรียนหนังสือเด็กเมื่อเรียนหนังสือ มีร้านกันมีหมอสี่แล้วิชาไหนไม่ชอบไม่ร้องไห้ินข้าวไม่หลงนอนไม่หลับเราแค่เยโย่โย่ชอบแม่เหมือนกอล์ฟทาความสุขใส่ตัวแม่คนนึ่งนักเรียนวิ่งถ่ายมีความสุขแล้วดีมานเยอะเดินไปถูกเยอะถ้าเราเรียนก้องใจของเราได้นะมีความสุขเยอะ เราจะไปจัดขยะทิ้งไปความทุกข์ทางใจเนี่ยเราสร้างเองไม่มีใครสร้างให้ได้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้ความทุกข์เราต้องสร้างเองเรื่ยงแฟนคลิปแฟนคลิปเป็นปัญหาคนหนึ่งถูกแฟนที่จะดิีใจเกิดไปเพื่อได้เงินต่อไปได้อิสลภาพคนหนึ่งเป็นทุกข์ในสถานการณ์เดียวกัน จิตใจที่ต่างกันนำให้ผลออกมาต่างครับใครจะเปิดตรงนั้นศาสนาพุทธที่เป็นศาสตรที่สอนโดยตชงเลยว่าจะจัดการกับความทุกข์ยัยเป็นาสตร์ที่ตอบปัญหาเรื่องนี้เเป็นพันธแพทย์เองก็ตอบปัญหาว่าจะถอนฟันี้ือจะรักสาฟันยังไศาสตรแต่ละสาขาก็มุ่ที่ตอบปัญหาแต่ละเรื่องศาสนาพก็เป็นศาสตร์อนึง ตอบปัญหาเร า, เาวา่าทำยังไงเราจะไม่คุกไมงสุกขังใจไม่เรียนศาสนาพุทธจริงๆคนเราไปเรียนวิชาอาื่นๆเองก็หวังว่าจะมีความสุขนั่นแหละไปเรียนเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นระดับมาทำงานเป็นรวยมีชื่อเสียงมีเกียรติเยอมีโอกาสที่ดีจริงๆแล้วคนเรารูนะุหาความสุขทั้งนั้น ถึงจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้ความสุขแต่ว่าเราไม่จะร่ายรู้เลยที่สนใจศาสนาพุทธซึ่งเป่าตรงๆเลยว่าทำไงเราจะมีความสุขทั้งใจได้วัวจะเป็นวิ่งรอมๆรอบๆเนียหนึ่งตอนไทยเรียนศิลป์เล่นกับเรียนจบแล้วก็มีความสุขจบแล้วทุกบทกล่าวเองมีทำงานมีในปากคน อาชี่หมอปั่นยังเครียดอีกนงนะทางานเรียนที่ชกแคบ <c oughs> นันก็เมนขี่หลังเก๋แล้วบิดถอปั่นก็ไม่ขึ้ น, น, น, น, นึีกไม่ได้เลิกไม่ได้ถอนไม่ออกเนื้หมอหมอไปแล้วถอนไม่ออกเนะ้หมดแรงหลบไปหลังร้านร้องไห้ก่อนย้งจะมึอนไม่ออกนั่นเป็นปัญหาเนต่ยถอนไม่ออกแล้ว อยากให้หอกให้ฟก้งเลยคนนั้นสวยเลยอยากให้ถอนฟันก็บอกเลยไม่ทําให้อออกเไม่เกี่ยวกันเรามีความสุขส่วนเกินเพราะความอยากรงมรวมแรงแรงเยะในชีวิตถ้าลองดูให้ดีนยเรามีความอยากรวมรมแรงแรงเยอะมากเในชีวิตจริงๆเราเด็กบางคนอยากสวยอยากรวมรมแรงแรงเลยมันสวยไม่ได้สวยไปสวยเลยสวยมาแต่เกิดนล้ เรียกเป็นประกอารแต่งมาใจลอยชอบเล็กเรียใจเราชอบหนีนะเนี่ยต้นทางก็จะเกิดความสุขหนะนีไปนี่นั้นบางทีก็ไปเกิดความสุขได้สุขลุกไม่เกิดตอนทีกหลงนะแต่ถ้าเรารู้สึกตัวเราจะมีความสุขอีกชนิดสุขจากจิตใจที่เป็นอิสระที่เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งหาใคร เหนือยไนะคิดแล้วรู้ไหมคิด้องรู้อีรู้ทานไม่คิดลองดูซิความคิดเที่ยงไม่เทีย่ยงสังเกตไห้ความคิดเนี่ยไหลไปเบาๆไม่มีน้ำหนักอย่าไปเจ้าเือนนะห้ามเจ้าเจ้าเงิผิดทำให้สบายกบอนคี่จริงๆแล้วแสงสบายนล่ายใจที่มันทำ ง, งานไปบาไปบังคับ ยิ่งเราปล่ยมันไม่มาทงานแต่เราปอยดู่อยดูไม่ให้มันเดินตกเล่าเลราอว่าไม่ให้มันเดินตกเหวตกเลิมไปเคลีมันทำอะไรตอนนี้ทราบไหมนี่รู้สึกหม่คียร์กันตอนนี้ไม่เหมนกันนดูความเปลี่ยนแปออกไหมเห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไีมยวามรู้สึกเราไม่เหมือนกัน เนี่ยเปจ้าเนีเจ้ามันนิ่เนี่ยเราเข้าไปหานะทราบไหมเราส่งใจของเราเข้าไปข้างในตอนนี้ทำอะไรเมื่อกี้นี้เออเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อย่าไปทำใจให้แรงคอยู่เฉยเฉยนะรู้สึกตัวไว เรายปแลงทำแจในิ่งเฉยเยนิ่งๆคือเรายัไม่ทาอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่แปล้งทำนิ่งๆเลยไม่ทำอะไรเลยเือ่ความว่าจิตใจของเราเป็นยังไงเราจะรู้ว่าเป็นยางไง เวลาเราคิดสงเกมเวลาเราคิดให้เราดึงกายึงใจของตัวเองนี้ดูบอกไหมเออแล้วบาที่ราอินเบาไหวแล้วใหม่ใหม่ันก็อย่างนี้เลยออกมั่ไม่ออกมั่ก็ยังดีเมื่อไหรดูบอกเพราะนั้นไม่มีความสุกขอกเความทุกเลยทีไปเลยใชไมไม่เผลไม่ทุกข์เดี๋ยวเรา